บทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อะนโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกกายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ก, กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด